ระหวางที่กรบคะรายการนี้รายการสันสนิษฐานาเราพบท่านตอนเช้าตรู่มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ก็เป็นที่น่า ย, ยินดีว่าจํานวนมากทีเดียวที่ฟังรายการนี้อย่างรู้เรื่องถึงแม้ว่าจะประกอบกิจกรรมอื่นด้วยดิฉันเองก็ได้ไปพบกับคนที่เขามาที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของรัฐบาลหรือสอปปหลายคนทีเดียวนะคะ พอเจอหน้าปุ๊บก็จะพูดเร็วๆเลยคุณสัสนสิมีฟังรายการเป็นประจําชอบมากก็ดีใจค่ะจะกลับเรียนให้ท่าน ภ, ภัยบูญทราบในนาทีต่อไปนี้ล่ะค่ะในมรดการกับทั้งค่ะเชิญฟานค่ะ ข, ของอาตมา ก, ก็มีคนมาหาเหมือนกันนะยังไงคะท่านค่ ะ, ะไป<ม>หา 2> 2ที่วทัศน์เหรอคะใช่มาถึงวัดปาดา่าตะไหนโศกเนี่ยมีอยู่สองสาท่านคุณแม่มบ้างแล้วก็อีกท่านหนึ่งมาจากปทุมธานีหนีน้ําท่วมมาจากอยุธยาก็มี หนีน้ำท่วมมาจากอยุธยามาพักบ้านญาติที่ขอนแก่นแล้วก็เลยแวะมาอุดรก็มีแล้วก็ได้ฟังรายการนี้ก็เลยแวะมามาพบก็มีสามสี่ท่านนะรวมทั้งหมดค่ะถือว่ามากนะคะที่ด้านด้นไปไกลถึงอุดรธานีขณะที่ฉันเองนะคะท่านฟังเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังไปแค่สองครั้งเองค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมสักทีหนึ่งด้วยอืวันนี้ขอไปท่านโทษนะคะหลวงพ่ออยู่ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยหลวงพ่ออยู่ที่กุฏิ มไม่ได้มาด้วยวันนี้ค่ะดิฉันเคยโดนแซวค่ะในการคุณสัมชนีมีค่าสองรูปในช่วงท่านบุญอะไรเงี้ยค่ะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะในเมื่อเรามาถึงช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวัจะนะกันแล้วก็อยากใช้เวลาสั้นๆที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด น, น, นะคะเพราะช่วงนี้เรามีอยู่ประมาณสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วด้วยมีคําถามค่ะท่านคุณบุญค่ะท่านฟังผู้ถามเนี่ยชื่อถูกฤดูการมากชื่อคุณนั้งฝนอืม จะถามมานานแล้วแต่ไม่กล้าวันหนึ่งก็ได้ฟังในรายการนี้สนทนาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จึงตัดสินใจเรียนถามในฐานะผู้หญิงว่าดิฉันได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนชายที่สนิทกันมากแต่หลังจากนั้นเดือนเดียวเขาก็ทิ้งไปบอกว่ามีแฟนมาอยู่ด้วยต่อมาอีกปีนึงเาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันดิฉันเองยังรู้สึกเหมือนเดิม ค, คิดถึงเขาทุกวันเลย เพื่อนๆที่เคยมีก็ห น, นีหายไปหมดแล้วแสดงกริยารังเกียจเรารวมไปถึงญาติเขาด้วยตอนที่พรรยาเขาคลอดไปเยี่ยมเขาเขามองเราเหมือนตัวประหลาดทีนี้มาถึงคําถามแล้วครับท่านคะข้อที่หนึ่งมันเป็นบาปกรรมของดิฉันใช่ไหมคะจึงได้มีแต่คนรังเกียดรวมถึงชายคนนั้นด้วยแล้วเป็นความผิดไหมที่ยังรักเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่ามีพันยาและลูกแล้วคือแค่อยากจะกลับไปเป็นเพื่อนเขาเหมือนเดิ ม, มไม่ได้อยากจะแย่งคืนมาเพราะพันยาก็น่ารักแต่ ชายคนนี้ไม่คุยกับดิฉันเลยอท่านจะตอบพร้อมกันทั้งสาคำถามไหมคะดิฉันจะเอาอันแรกก่อนพูดถึงเป็นบาปกรรมใช่ไหมคะพูดถึงนี้ก่อนว่าศีลใช่ไหมถ้าผิดศีลข้อสามเนี่ยเป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรค่ะนะผิดศีลข้อสามอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นก็มีประยายอยู่ก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบน ะ, ะแต่ถ้ามีการผิดศีลข้อสามก็จะทําให้มีการแตกจากมิตรละ่นะเป็นการแบ่งพักแบ่งพวง ก, กันว่าอย่างนั้น อันนี้ก็จะเป็นวิบากคือผลที่เกิดจากการทําปิดสีนั่นไดนะ้อันนี้ประการที่2ก็คือเรื่องของเป็นกรรมไหมก็คือถ้ากรรมเนี่ยมันเป็นคือเจตนาถามว่าเป็นผลของกรรมไหมเป็นผลของเจตนานั่นไหมถ้าพูดถึงกรณีนี้ก็คือใช่แตนะถ้าเรามีจิตที่รู้สึกมีความทุกข์าจากการกระ ท, ทําที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้แสดงว่าเป็นผลของการกระทําแน่นอนคะ่ะทีนี้ประเด็นคือว่า เอ้ถ้าอย่างนี้เป็นแบบกรรมเราแกไงนะอันนี้คาถามที่2ของคุณน้ําฝนก็คือว่าเป็นความผิดไหมที่ไม่เข้าใจที่จะใช้ธรรมะรักษาใจถ้าถูกต้องสิธรรมะนี่ต้องใช้รักษาใจแน่นอนนะเพื่อว่าให้จิตใจของเราเนี่ยไม่วันไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นะคนนึงเขาเปลี่ยนไปอย่างงาั้นคนนี้เขาเปลี่ยนไปอย่างนี้ไปอย่างนู้นอย่างนี้ใจเรายัางนิ่งสบายอยู่ได้ไหม นี่ธรรมะนี่จะช่วยได้ตรงนี้แต่ว่า<ม>คุณน้ําฝนบอกว่าทําไมถึงบางครั้งที่นั่งสมาธิคนเดียวที่บ้านโดยเฉพาะวันพระเนี่ยตัวจะร้อนโกรธโมโหบางครั้งอยากจะฆ่าคนขึ้นมาเป็นไปไ ด, ได้เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจคนที่ไม่มีศีลจะมีความร้อนใจทีนี้ศีลเนี่ยเราเราถามว่าตอนนี้เราดีแล้วใช่ไหมใช่แต่คุณยังต้องรับผลของการกระทํานั้นอยู่ไงมสมมุติว่าเมื่อวาอนอาตมาไปฆ่ามดตัวหนึ่งบี้ยุงสองตัว อไอ้ผลของการกระทํานั่นของอาตมาทำโดยเจตนาเลยนะมันมากัดชั้นตอนชั้นนั่งสมาธิจันจะทําบุญเธอมาทำอย่างนี้ไม่ได้บี้มันซ ะ, ะเราจะมีความร้อนใจผลของการที่เราผิดศีลนะเราจะร้อนใจทําให้นั่งสมาธิไม่ได้มันจะเบนค่ะนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าคนที่มีความร้อนใจแล้วทําไม่ถูกเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแรงต่างนาน า, นา นะอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นได้ทีนี้จะแก้ยังไงคือผลอยังไงคุณก็ต้องรับค่ะคุณทำไปแล้วใช่ไหมคุณต้องได้รับผลทีนี้จะทําไงให้ผลมันเบาลงนั่นล่ะสิค่ ะ, ะผลจะต้องเบาลงได้เนี่ยเมื่อเราสร้างบุญมากๆพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเอาเกลือมาก้อนหนึ่งซะไปผสมลงไปในน้ําแก้วหนึ่งน้ําแก้วนั้นต้องเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเดียวกันเนี่ยไปใส่ลงไปในแม่น้ําเจ้าพยายิ่งตอนนี้มีน้ําเยอะๆผสมเข้าไป ความเค็มจะไม่มีหรือจะแทบหาไม่ได้เลยเช่นเดียวกันไอ้เกลือก้อนนั้นเนี่ยมันคือบาปกรรมที่เราเคยสร้างมาแล้วไม่ต้องชาติอื่นเอาชาตินี้เห็นชัดๆเมื่อปีที่แล้วนี่เองอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันให้ผลอยู่ตอนนี้ทําไงเอาบุญมาเอาน้ำมานะ <คะ S 1> สร้างเยอะๆทํามันเยอะๆทํำก็ไปศีลสมาธิปัญญาให้ทานารักษาศีลเจริญภาวนาทําไปทําไปมีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์เราจะสิ่งเนี้ยไอ้ที่มันมากวนใจเราอยู่เนี่ย มันจะค่อยเบาลงเบาลงเพื่อนคนอื่นเขาเห็นว่าเออเธอก็เป็นคนมีศีลนะเธอก็เป็นคนดีนะรักษาศีลเจริญภาวนาะ อ, อ้าวก็จะมาคบกันใหม่หรือมีเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ดีขึ้นอย่างนี้จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นนะนะท่านพิบูลน์คะลักษณะของการที่จะสร้างกุศลเนี่ยท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาออคือเหมือนกับว่าครบทุกประเภทเลยหากเป็นคนที่สันทัดแต่การทําบุญในลักษณะอย่างเช่นทอดกรถินนะคะโอ้ใครทอดกรถินเนี่ย ได้เลยไปร่วมทําบุญกับเขาแต่ว่าไม่ได้รักษาศีลหรือไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยอืมก็อันนั้นจะเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวค่ะใช่ไหมบุญแลจะพอแก้ไขเจือจางบาปได้ไหมคะทีนี้มันก็ต้องระดับเดียวกันไงคุณโยมติ๋วนึกออกไหมหมายถึงว่าไอบาปกรรมที่เราทําไปเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเรื่องศีลหรือเรื่องการขโมยของเอ่อหรือเรื่องการคิดไม่ดีนะเราก็ต้องใช้ระดับ ที่มันแก้ด้วยกันทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันจะมารวมกันที่จิตเราให้ทานไปคุณรับรู้ที่ไหนก็รับรู้ที่จิตคุณรักษาศีลคุณตั้งจิตที่ไหนก็ตั้งที่จิตคุณนั่งสมาธิคุณตั้งอย่ก็ตั้งที่จิตเพราะฉะนั้นมันจะไหลย้อยมาที่จิตหมดใช่มครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอต่างๆเนี่ยเป็นการได้อัญมณีมากที่สุดนะคือคือจิตมันจะมีความสุขสงบ บุญเกิดมากที่สุดมา้งนันเถอะค่ะสรุปแล้วถ้าหากว่าไม่อยากจะวิเคราะห์มากก็ทำทั้งเรื่องของการรักษาศีลเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยเลยใช่ใช่ค่ะอีกประการหนึ่งคือการที่ถ้าเราอย่างปัญญาอย่างนี้นะค่ะปัญญาปัญญานี่มันเป็นยังไงคือการศึกษาธรรมะนี่แหละปุทธเาบอกว่าการเป็นผู้พหูสูตรใช่มศึกษาธรรมะที่เป็นพุทธวจนะ ที่พระเจ้าสอนเลยแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้จะเป็นทางมาแห่งปัญญาได้ค่ะท่านคะทีนี้คุณน้ําฝนเนี่ยก็ยังบอกอีกว่ามีคนบอกแล้วว่าดิฉันเนี่ยไม่รู้จักให้อภัยตัวเองจึงสงสัยว่าให้อภัยตัวเองเนี่ยต้องทําอย่างไรเพราะว่าพยายามหาวิธีแล้วก็ทําไม่ได้เลยสองปีที่ผ่านมาคิดแต่ว่าเป็นความผิดของดิฉันคนเดียวไม่เกี่ยวกับเขาเลยเพราะทําผิดต่อพ่อแม่ต่อเพื่อนๆได้เลยอืค่ะ วิธีให้อภัยตัวเองก็คือแผ่ความรักความเมตตาให้กับตัวเองนะแผ่ความรักความเมตตาเหมือนย่งกับแม่รักลูกอย่างเงี้ยแม่รักลูกเนี่ยแบบอธิบายไม่ได้น ะ, ค, ะคือลูกที่เกิดจากอกลูกก็ที่เกิดจากครรภของตนเนี่ยจะยอมสละชีวิตให้ได้เลยเนี่ยความรู้สึกนี้แหละให้แผ่ให้ตัวเองนะ<ม>ให้แผ่ให้ตัวเองเราจะ เ, าเป็นผู้รู้จักรับบ้างเป็นผู้รู้จักให้อภัยตัวเองบ้าง อ๋อคือให้กับตัวเองนี่ก็ได้เหมือนกันนะครัได้แผ่เมตตาให้ตัวเองค่ะแล้วกระบวนท่าเป็นยังไงบ้างคะต้องมีคําร่ายมนอย่างไรไหมคะก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมเพราะว่าความเมตตาความรักความเมตตาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใช่ไหมแสดงออกมาทางบาจาบ้างแสดงออกมาทางกายบ้างเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตามันเป็นยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ทราบเมื่อสักครู่ที่ว่าอย่างแม่รักลูกนะเห็นลูกลูกตัวเองเนี่ย มันมันรักมันมีความที่จะสละชีวิตให้ได้เลยความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยด้วยจิตแบบนั้นเนี่ยแผ่ให้ตัวเองค่ะแทีนี้อืคุณน้ำฝนก็ยังมีคําถามอีกว่าแล้วเพื่อนชายคนนั้นเนี่ยคู่กรณีเนี่ยจะบาปไหมจะได้รับกรรมอย่างไรเห็นยังมีความสุขอยู่นะเพื่อนๆ เ, เ, เขาก็ายังรักเขาเหมือนเดิมดิฉันไม่อยากให้เขาได้รับกรรมอะไรอยากให้เขาเป็นสุขมากกว่า ทำบุญใส่บาตรทุกวันอุทิศบุญให้เทวดาไปจําตัวเขาและแผ่เมตตาให้ทุกวันแต่ทำไมยังคิดถึงเขาอยู่หรื อ, อว่าทําไม่ถูกวิธีขอคําแนะนำค่ะอันนี้ต้องอุทิศบุญให้เทวดาประจําตัวเราด้วยแผ่เมตตาให้ตัวเราด้วยนะทีะ่เขาเนี่ยบาปหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เขาทำจิตยังไงถ้าเขามีจิตคิดเบียดเบียนเ ร, ยนราอันนี้เขาก็จะบาปนะไม่ว่าเขาะจะคิดเบียดเบียนใครเนี่ยจะเป็นบาปของเขาแหละเขาก็จะต้ได้รับไปทีนี้ถามว่าเขายังเป็นคนมีบุญไหมล่ะ ถ้าเขาเป็นคนมีบุญมากกรรมที่ให้ผลนั้นก็อาจจะเบาบางหรือแทบจะไม่ให้แต่แล้วเขามีคนเป็นบุญน้อยนะมันเป็นคนเจ้าทุกอะไรอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้อะนะก็จะจะต้องได้รับผลที่หนักเหมือนกันดิฉันว่าประเด็นคําถามอันนี้มันอยู่ที่ว่าทําไมยังคิดถึงเขาอยู่หรือทําไม่ถูกวิธีคิดถึงคนอื่นในแง่ดีอาจมาว่าดีนะแต่ทําไมจิตยังกําหนัดพัวพันรุ่มหลงในคนคนนี้ บางทีเราไม่สามารถควบคุมจิตเราได้เราเกลียดคนนี้เกลียดเกียดมันจริ ง, รงๆทำไมหน้ามันผัวมันในจิตเราอยู่ได้อย่างนี้นะ <c oughs> หรือ <c oughs> เรื่องนี้เราไม่อยากจะคิดคิดแล้วมันช้ําใจทุกทีคิดทีไรมันก็เอามีดมาทิ่มใจทีหนึ่งคิดสองทีก็ทิ่มสองทีคิดทุกทีก็ทิท่มทุกทีแต่ทํำไมเราวางความคิดนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังจิตไงค่ะ <c oughs> เราไม่เป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตเราจะทําไงให้จิตอยู่ในอํานาจของเราได้เราต้องฝึกจิต ท่านคะเดี๋ยวดิฉันขอถามอีกสองคำถามเลยเผื่อจะตอบด้วยคำตอบเดียวกัน uh huh. คุณน้ำฝนถามว่าส่วนเพื่อนๆ uh huh. ที่รวมกันตราหน้าดิฉันเนี่ยพวกนี้จะบาปไหมหรือดิฉันเองเนี่ยพยายามปรับตัวแม้แต่กล่าวคำขอโทษถ้าแสดงอะไรที่ไม่ดี uh huh. หรือไม่เหมาะสมแต่ไม่มีใครให้อภัยเลยพวกนี้จะบาปไหม uh huh. กับข้อสุด uh huh. ท้ายเลยนะค่านดิฉันจะอยู่อย่างไรให้มีความสุข ในที่ที่มีแต่คนเกลียดชังค่ะข้อที่ห้านี้ตอบอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคนที่เขาด่าเรานะด่าด้วยจิตพยาบาทอันนี้ก็บาปแน่นะแต่อย่างแม่ด่าลูกอย่างเงี้ยลูกไปเสพ ย, ยาเสพติดแม่ดา่านะแม่บาปไหมออก็เพราะว่าถามว่าบาปหรือไม่บาปอยู่ที่แม่ทําจิตถ้าแม่เนี่ยเป็นเพื่อที่จะสั่งสอ น, สอนคือหน้าที่ของแมา่ดาบิดานะต้องห้ามลูกเสียจากบาปเพราะนั้นจะห้ามลูกเสียจากบาปต้องให้ลูกเนี่ยรู้จักความกลัวและความละอายต่อบาป ถ้ามันไปทําไม่ดีมาฉันต้องด่ามันเพื่อให้มันกลัวกลัวอะไรไม่ใช่กลัวฉันนะกลัวบาป<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าเขาด่าเราเพื่อให้เรากลัวบาปเนี่ยอันนี้เขาไม่บาปนะเพราะเขามีเจตนาดีแต่ถ้าแต่เขาด่าเราด้วยด้วยด้วยความที่เขามีจิตพยาบาทอันนี้เขาจะเป็นคนบาปเพราะเขามีจิตพยาบาทความพยาบาทเป็น<ะ>บาปอย่างนี้นะทีนี้ว่าคนที่มาตราหน้าเราเพื่อให้เราเราก็มองโลกในแง่ดีอ่นะเพื่อให้เราเป็นคนกลัวต่อบาปใช่ไหมอ่ะตอนนี้ฉันกลัวต่อบาปแล้ว ฉันก็เป็นคนดีแล้ะฉันสบายใจละนะทีนี้ถามว่าทําไมค่อยถึงยังไม่แห้อภยัยเอาก็าถ้าเราทําผิดแล้วใช่ไหมผู้รู้จักบอกคนพานมีสองแบบในโลกหนึ่งคุณทําไม่ถูกนะคือคุณทําผิดนะผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่สองเนี่ยคือประเภทที่สองนี่คือคนที่เขามาขอขามาแล้วคุณไม่แห่อภยัย mm. อืมเพราะฉะนั้นถ้าเราขอเข้ามาแล้วเราแก้ตัวแล้วนะถ้าเขายังไม่ให้อภยัยเัืนองเราอย่าเพิ่งยุ่งกับเขาแล้วกัน เยนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ยุ่งกับคนบานมากคือไม่ให้ยุ่ ง, งเลย อ, ะอ่ะ <laughs> เขาไม่ให้อภัยเราเราก็ปล่อยเขาไปก็แล้วกันแต่ว่าดิฉันกำลังสงสัยค่ะในกรณีเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับเราไหมคะเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรไหมคะเราจะเป็นผู้ผูกเวรนนะเราจะเป็นผู้ผูกเวรจะเป็นนายเวรเขาถ้าเราไปผูกเขานะเราก็จะใจไม่สบายนะเราก็จะถูกไหมอยู่เรื่อยๆอย่างกรณีของ กรณีบุคคลนั้นใช่ไหมเรายังผูกเวรเขาอยู่ผูกเวรในกรณีนี้คือผูกด้วยความด้วยราคะเนี่ยผูกด้วยโทสะด้วยเพราะว่าการที่เขามาทํากับเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะคลายผูกเวรได้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงห้เหตุปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งเรื่องการให้ทานก็จะคลายทําให้จิตเนี่ยคลายจากการผูกเวรได้คือการที่คิดถึงเขาเนี่ยเพราะเราผูกเวรล่ะผูกเวรด้วยราคะกับผูกเวรด้วยโทสะการสวดมนต์ก็ช่วยได้นี่พระเจ้าพูดถึงอยู่ สัทยายัยธรรมน ะ, ะแล้วก็การประพฤติปรมอาจารย์การรักษาศีลที่เป็นศีลแปลขึ้นไปแล้วก็การปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะช่วยได้ในการที่ไม่ให้จิตมีการปลูกเวรถ้าจิตมีบริขารสีห้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่มีการปลูกเวรได้โอเคคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนมันให้ทานก็ช่วย ถ้ทยายทําสวดมนต์ก็ช่วยสวดบทไหนเฉพาะเลยมีไหมคะแบบตรงจุดเราจะได้ไปเร็วหน่อยคะ่ะก็เป็นข์เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการละวางเนอะอย่างอริยสัจสีก็ได้ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรก็ได้บทไหนที่เราท่องได้เอ า, อางี้ดีกว่าที่เป็นพุทธวจนะและเป็นไปเพื่อการละวางอันนี้ได้ท่านั้นเลยสั้นๆเลยมีไหมคะแบบสักสองประโยคเนอะ เอาบทที่เราคุ้นเคยกันเลยคุณโยมติว๋วว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ที่ท่านภาษาริบุตรมีนะหลังจากที่ฟังธรรมจากท่านพระอาสันิพระอาสันิพูดอะไรมาสักยิงหนึงเพิพบท่านภาษาริบุตรตอนนั้นยังไม่บวชนะก็เกิดความคิดนี้ปิ๊งขึ้นมาในจิตทันทีว่าโอ้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ท่องมันก็ไปอย่างนี้กัเป็นคาถาก่อนกินข้าวระหว่างกินข้าวหลังกินข้าวเป็น<ข>ไปเลยนะคะดิฉันเองก็ต้องการที่จะทราบคุณค่าของคาถานี้ได้มากกว่า น, นี้เพียงแต่ว่าคงจะติดไว้ก่อนแล้วไปกราบเรียนถามท่านในวันต่อไปว่ากินความกว้างแค่ไหนอย่างไร <S <S 2> <S 2> ช่วยได้ในเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็คงจะต้องน้ำมศ ก, การขอบพระคุณสําหรับท่านเพรบูนเอาไว้ในะโอกาสนี้นะคะ นักกาคทานฝังที่พบ ร, รับคาแลวทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามของคุณท้งฝนซึ่งที่นั้นว่ามีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆด้วยเพราะว่ามันมาประยุกใช้ได้นะคะบางทีเรามองเอมอมุมนี้เราก็ใช้ได้มุมนั้นเราก็ใช้ได้และนี่ก็คือรายการสามมนีสนทนานะคะซึ่งพบกับท่านทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าวกันอยู่เป็นประจาในยามออกพรรษาแล้วก็จะต้องมีเทศกาลทอดกระถิ่น หลังจากออกพรรษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ถ้าจะไปทอดกระถิ่นที่วัดป่าดอนหายโศอุดรธานีไปพบกับท่านไทบุญพบกับหลวงพ่อดออรสะอาดนะคะก็ไปกันในวันที่23ตุลาคมนี้เข้าทอดกันส า, สายๆแต่ว่าไปกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปไม่ยากค่ะวันนี้เราลากันเพลินเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ